รายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนามาพูดคุยบอกเล่าสู่กันฟังนะคะเราพบกันในทุกๆเช้าของวันพระหั ส, สบดีทาง FM 89.5 มวิทยุราชมงคลธัญบุรีอาทิตยาปกรนางังรับหน้าที่ในการดำเนินรายการเช่นเคยนะคะเรื่องราวของเพื่อนเตือนภัยในวันนี้ค่ะต้องเรียกว่ามี ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลากหลายประเภทเลยนะคะที่เข้ามาเป็นแกงมิจฉาชีพ ด้วยกันทั้งนั้นนะคะบางทีก็มีการใช้ยศของนายทหารมาเพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมิจฉาชีพซึ่งวันนี้เราจะมีเคสนะคะที่จะมาบอกเล่าสู่กันฟังด้วยแต่ในช่วงแรกของรายการวันนี้ค่ะมีการนําเสนอเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและท่านเองน่าจะได้เสพข้อมูลข่าวสารนะคะว่ามีการนําปัสสาวะนะคะมาดื่ม มากินกันนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของเพจหมอแลบแพนด้าเองค่ะได้โพสต์ข้อความของครูสาวท่านหนึ่งที่นำปัสสาวะของตนเองให้เด็กนักเรียนดื่มเพื่อให้หายปวดท้องค่ะ เป็นเรื่องร้อนโซเชียลพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะในกรณีของการแชร์เรื่องราวการนําปัสสาวะมาหยอดตาหรือว่านํามาดื่มเพื่อใช้ในการรักษาโรคนะคะซึ่งล่าสุดค่ะในเพจของมาแพันด้าเองได้โพสต์ข้อความของครูสาวคนหนึ่งที่นําปัสสาวะของตนเองมาให้เด็กนักเรียนดื่มเพื่อให้หายปวดท้องแล้วก็หายเป็นไข้ในข้อความระบุแบบนี้นะคะบอกว่าเราเป็นครูสอนเด็กประถมต้นค่ะเราจะนำอ่า เราจะทําน้ําปัสสาวะกลั่สมุนไพรนําไปไว้ประจําที่โรงเรียนเวลาเด็กไม่สบายเขาจะมาข อ, อยา ก, กับเราเราไม่ใช่ฝ่ายพยาบาลไม่มียาเราก็เลยเอาน้ําปัสสาวะกลั่ให้เด็กกินผสมน้ำครึ่งส่วนเด็กส่วนมากจะปวดท้องจนตัวงอบางคนเป็นไข้ตัวร้อนมากผลปรากฏว่าหลังจากกินยาวิเศษของครูแล้วจะหายภายใน30นาทีทดลองมากับเด็กเกือบ30คนได้ผลทุกคนเราจะบอกกับเด็กว่าเป็นน้ํามนต์จากวัดไม่เชื่อต้องลองเองค่ะซึ่งในข้อความโพสต์ของครูท่านนี้นะคะ ทางด้านของมอลาแพนด้าเองนายแพทย์ภาคภูมิเดชหัสดินนะคะนักเทคนิคการแพทย์ก็มีการโพสต์ข้อความตอบกลับครูคนนี้ในเพจบอกว่าถ้าคิดว่ามันดีก็เก็บไว้กินเองไม่ห้ามแล้วแต่อย่ามายุ่งกับคนอื่นที่เขาไม่เชื่ออย่าแอ บ, บเอามาใส่ให้คนอื่นกินแบบนี้สามารถถูกฟ้องได้เลยนะโรงเรียนนี้อยู่ขอนแก่นฝากรษภาตรวจสอบด้วยครับ โดยได้ ว, ว่าเล่นเอาชาวโซเชียลมีเดียเองหลายคนนะคะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายเลยค่ะโดยบางทีนะคะก็มีการระบุแบบนี้นะคะเมื่อฟังถ้ามันดีจริงทําไมครูไม่เก็บเอาไว้กินเองแบบนี้ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเอามาให้เด็กกินได้อย่างไรถ้าลูกชั้นเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมาที่ชั้นไม่ปล่อยเอาไว้แน่โดยโพสต์นี้นะคะได้รับการแชร์ไปเป็นหมื่นกว่าครั้งแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น 5,000-6,000 กว่าข้อความด้วยกันนะคะโดยที่ผ่านมานะคะ21สิงหาคมทางเพจหมอแล็บแพนด้าหรือว่านายแพทย์ภาคภูมิเดชฮัสดินนักเทคนิคการแพทย์เองก็มีการทำคลิปเตือนนะคะหลังมีชาวเน็ตเนี่ยแชร์เรื่องราวของการนำปัสสาวะมาดื่มทาหน้าท า, า, ท า, าแผลบางคนหนักถึงขั้นหยอดตาเนี่ยนะคะ คุณหมอค่ะก็มีการระบุบอกว่าในปัสสาวะนั้นประกอบด้วยน้ำ 95% ยูเรีย 2.5% และแร่ธาตุอื่นๆอีก 2.5% ซึ่งในปัสสาวะมีแร่ธาตุเยอะมากมายแต่ถ้าสกัดแร่ธาตุออกมาต่ละตัวนั้นกับมีประโยชน์ที่น้อยมากน้อยกว่าอาหารคําเดียวที่เรากินกันเสอีกค่ะส่วนคนที่นําปัสสาวะมาทานหน้าแล้วรู้สึกว่าผิวหน้านุ่มขึ้นนั้นเพราะในปัสสาวะมียูเรียซึ่งเป็นเสมือน moisturizer นะคะทำให้ผิวหน้ารู้สึกนุ่มแต่หากเทียบกับครีมทาหน้านราคาถูกๆ ครีมตามท้องตลาดแล้วเนี่ยยังมียูเรียรหรือว่ามีสารที่เป็นประโยชน์มากกว่าปสาัสสาวะค่ะเพราะฉะนั้น จึงไม่จําเป็นต้องนําปัสสาวะมาใช้หรือว่านํามาทาที่ใบหน้านะคะอันนี้ก็เป็นการเตือนจากทางด้านของเพจหมอแลบแพนด้าเองในส่วนของการแพทย์ท่านอื่นๆนะคะก็มีการออกมายืนยันว่าผลการวิจัยต่างๆไม่มีการวิจัยใดที่มีการรับรองนะคะว่าน้ําปัสสาวะนั้นสามารถที่จะนํามาใช้ในการรักษาโรคได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ฟังคะอย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะคะแล้วก็อย่านําน้ําปัสสาวะน้ามารับประทานหรือว่านํามาทานในส่วนต่างๆของ น ห, นหรือแม้แต่การหยอดตาค่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเพื่อนเตือนภัยวันนี้ที่ฉันมีเรื่องราวของแก๊งตบซัพ์นะคะขับรถเบียดเหยื่อนะคะแล้วก็เฉียวชนเน้นรถสภาพเก่าด้วยนะคะ แต่โชคดีค่ะในเคสนี้นะคะไม่ต้องเสียเงินเพราะอะไรนะเดี๋ยวมาติดตามกันเราไปถึงเรื่องราวของนักวิจัยนะคะออกมาเตือนเกี่ยวกับสาวโสดอายุ40ขึ้นไปนะคะอาจจะเป็นเหยื่อในการพบรักออนไลน์ถูกหลอกลวงอันเนื่องมาจากความรักได้ติดตามในช่วงหน้าเพื่อนเตือนภัยนามาฝากกันค่ะ ช่วงนี้นะคะกับเพื่อนเตือนภัยค่ะเริ่มต้นในช่วงนี้ของรายการกันนะคะเป็นการเปิดเผยคลิปเตือนภัยนะคะหนุ่มท่านหนึ่งค่ะได้เปิดเผยคลิปเตือนภัยอ้างว่าเป็นแก๊งตบซั์นะคะขับรถเบียดเหยื่อเพื่อของเงินนะคะ ผู้เสียหายบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นร่องรอยเฉี่ยวชนรถคู่กรณีรอบคันอยู่แล้วเน้นรถสภาพเก่าค่ะโชคดีนะคะที่เขามีการอ้างว่าจะขอคุยกับประกันจึงไม่ต้องเสียเงินค่ะจากกรณีของผู้ใช้เฟ e บุ๊กธีรพัฒธีรโชตรัตนะ โคินนะคะก็มีการโพสต์คลิปอุบัติเหตุรถชนจากกล้องหน้ารถซึ่งอ้างว่าน่าจะเป็นฝีมือของแก๊งตบซัพย์ที่บริเวณออกจากไฟแดงโชคชัยอยู่เทินแรกมุ่งหน้าหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะโดยผู้สื่อข่าวค่ะก็มีการไปสอบถามเจ้าของโพสต์นะคะก็ได้มีการเล่าบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้น24สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขณะขับอยู่บนถนนหมายเลข24นะคะโชคชัยเดชอุดมหลังจากที่ ออกจากแยกไฟแดงอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาประมาณ2กิโลเมตรนะคะทีนี้เนี่ยผู้ที่เป็นอาจเจอเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็สังเกตค่ะว่ามีรถเก่งสีดําที่ขับอยู่เลนด้านซ้ายจึงชะลอความเร็วรถทําให้รถกระบะที่ขับตามหลังมาเปิดไฟเลี้ยวเพื่อแสงทางด้านขวาขึ้นหน้าไปจังหวัดเดียวกันนะคะก็มีรถเก่งสีขาวค่ะขับตามหลังกระบะได้เร่งเครื่องแสงรถกระบะพร้อมกับบีบตแตรเพื่อให้รถกระบะหลบทันในั้นนะคะรถเก่งสีดําที่อยู่ทางด้านซ้าย ก็เร่งเครื่องจนทําให้ด้านหน้ารถเฉียวชนกับรถกระบะก่อนที่รถเก่งคันสีขาวจะเร่งเครื่องหนีไปส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นแก๊งตบทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะมาเตือนให้กับผู้ขับขี่รถรุ่นเก่าที่แก๊งเหล่านี้เนี่ยมักจะเลือกเป็นเหยื่อนะคะจากการสอบถามค่ะคุณม่วงพี่มานจเจริญสุขคนขับรถกระบะและคุณชูใจพี่มานจเจริญสุขภรรยาที่นั่งโดยสารไปด้วยกันนะคะทั้งสองคนเป็นชาวอําเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็มีการเปิดเผยเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ เองคะ่ะได้ขับรถกลับจากเยี่ยมพ่อแม่ที่ตัวเมืองโคราชนะคะกําลังจะขับรถกลับบ้านที่อำเภอหนองบุญมากค่ะเมื่อถึงที่เกิดเหตุเนี่ยหลังจากผ่านแยกไฟแดง อ, อําเภอโชคชัยแล้วเนี่ยก็มีรถยนต์เป็นเก่งสีดํานะคะขับชะลอช้าๆอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณม่วงเองก็เลยมีการขับรถเบี่ยงขวาเพื่อแซงรถเก่งสีดําขณะที่กําลังแซงนั้นก็สังเกตเห็นนะคะว่าบริเวณด้านหน้าของรถเก่งสีดำเนี่ยมันมีร่องรอยของการถูกเฉียวชนอยู่ก่อนแล้วนะคะและขณะที่กําลังที่จะ แสงง้ลรถเก๋งคันสีขาวที่กลับตามหลังมาเนี่ยก็มาเร่งเครื่องบีบแต่ให้รถ กระบะหลบนะคะเจ้าของกระบะเองก็เลยขับรถหลบเข้าเลนซ้ายค่ะแล้วก็เลยเป็นจังหวะเดียวกับที่รถเก่งสีดำนะคะเร่งเครื่องขึ้นมาจนเฉี่ยวชนด้านท้ายรถของรถกระบะนั่นเองซึ่งหลัจะกเกิดเหตุนะคะคนกับรถเก่งสีดำเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะผมยาวอายุประมาณ 45-50 ปีสูงประมาณ160สิซนเมตรก็มีการลงมาจากรถพร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 2,000 บาทค่ะ โดยการเรียกร้องค่าเสียหายนี้นะคะก็มีการอ้างว่าถ้าไม่ให้นะคะก็จะมีการเรียกบริษัทประกันให้มาเจราจาแทนซึ่งทางตัวของคุณม่วงแลก็ภรรยาเองเนี่ยใช้เวลาในการคุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะที่ขับรถเก๋งสีดำไปเวลานานถึง10นาทีก่อนที่จะมีการยกมือไหว้ขอโทษและบอกว่าไม่มีเงินเพราะมีเงินติดตัวเพียงแค่200บาทเท่านั้นพร้อมกับ พูดหลอกผู้หญิงคนนี้ไปบอกว่าถ้าจะเรียกประกันก็เรียกมาได้เลยรถของตัวเองก็ทําประกันเอาไว้เหมือนกันจะได้ให้บริษัทประกันตกลงกันซึ่งเมื่อหญิงสาวคนดังกล่าวเห็นว่าคงไม่ได้เงินแน่แท้นะคะก็ขับรถออกไปหลังเกิดเหตุค่ะก็ไม่ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะแต่ก็อยากฝากเตือนให้ผู้ขับขี่ที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะอย่าจ่ายเงินให้กับกลุ่มมิจฉาชีพแต่ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการให้จะดีกว่าค่ะขณะที่พลตํารวจตรีวัชรินบุญคงผู้บังคับการตํารวจภูธร จังหวัดนคนรราชสีมานะคะก็มีการฝากเตือนถึงผู้ขับขี่ค่ะที่ อาจจะเจอกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจทันทีเพื่อดําเนินการตรวจสอบเลยนะคะซึ่งพฤติกรรมของแก๊งขับรถตบซัพย์นี้ค่ะมักจะมีการตระเวนก่อเหตุไปหลายๆพื้นที่เรื่อยๆนะคะอาศัยช่องว่างของกฎหมายค่ะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็ขับรถยนต์เก่านะคะให้ง่ายต่อการตบซัพย์เรียกค่าเสียหายค่ะขณะนี้ตํารวจเองนะคะพอจะมีข้อมูลของแก๊งตบซับหลายรายที่มีการออกอารวาสหากินในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วนะคะซึ่งหากใครที่พบเจอเหตุการณ์ลัษณ บบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบทันทีจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยค่ะยังอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งตื่นเต้นถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะสิ่งสาคัญเลยนะคะก็คือการบอกว่าให้บริษัทประกันมาเคลียร์นะคะแล้วก็ติดต่อเลยนะคะที่เบอร์สายด่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะมีการประสานงานกับสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้คุณที่สุดค่ะ มากันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะทางด้านของนักวิจัยค่ะมีการเปิดเผยเรื่องราวของพิสวัตอาชญรกรรมนะคะเตือนผู้หญิงโสดอายุ40ปีขึ้นไปอาจจะเป็นเหยื่อของการพบรักออนไลน์เตือนภัยล่วงหน้านะคะต้องสร้างความตระหนักรู้เพราะว่าถ้าเกิดถูกหลอกแล้วเสียหายไปแล้วติดตามคืนได้ยากมากค่ะ สำนัก ง, งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและอนุตกรรมหรือว่าสอกอสอวอนะคะกร็รวมกับมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะคะโดยทําโครงการวิจัยข้อจํากัดของกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันและปราบปรามพิศวาส ร, รอาชญากรรมโรแมนส์แคมและแนวทางสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนจัดเวทีเสวนาพิศวาส ร, รอาชญากรรมแนวทางป้องกันและปราบปรามเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งเขาก็มีการนําเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ การป้องกันตัวของประชาชนและตระหนักรู้ถึงภัยอาชญากรรมที่มาจากโลกไซเบอร์ค่ะซึ่งทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพลทัศนกุลพันธ์นักวิจัยจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่หัวหน้าโครงการวิจัยนี้นะคะก็มีกา ร, ปรเปิดเผยข้อมูลบอกว่านับตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปี2561ถึงพฤษภา ค, คมปี2562นะคะประเทศไทยเองค่ะมีผู้ที่ร้องทุกข์จากกรณีพิษวรรัตรอาชญากรรมหรือการถูกล่อล หล่วงให้โอนเงินผ่านการรู้จักแล้วก็พบรักกันบนสื่อสังคมออนไลน์3 3 2รายด้วยกันมูลค่ารวมเสียหายนะคะอยู่ที่193ล้านบาทค่ะ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อนะคะมากที่สุดจะเป็นผู้หญิงโสดนะคะอายุ 40-60 ปีการศึกษาดีหน้าที่การงานมั่นคงฐานะดีนะคะโดยหากย้อนกลับไปในปี 2,558 ค่ะจะพบเหยื่อที่สูญเสียมากที่สุดอยู่ที่33ล้านบาทเลยนะคะโดยถูกหลอกโอนเงินไปให้คนรักออนไลน์ถึง26ครั้งในระยะเวลา2ปีโดยสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook แล้วก็อกรเป็นช่องทางที่ทาให้เหยื่อได้พบเจอคนร้ายค่ะเนื่องจากคนร้ายนะคะจะเข้ามาทาเป็นทาความรู้จักก เยนะคะจากการเข้าไปในกลุ่มคนที่มีความคิดคล้ายกันในโลกโซเชียลค่ะ คนร้ายที่พบส่วนใหญ่นี้นะคะผู้ฝั่งคะจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งจะมีการใช้รูปโปรไฟล์เป็นชาวตะวันตกหน้าตาดีการศึกษาดีมีหน้าที่การงานที่มั่นคงก็เข้ามาทําความรู้จักกับเหยื่อนะคะโดยอาชีพที่ได้รับการแอบอ้างเพื่อล่อลวงเหยื่อเช่นวิศวกรบนแท่นขุดเจาะน้ํามันนักบินแล้วก็ทูตค่ะการศึกษาในยุคดิจิทัลนี้นะคะก็เอื้อให้คนแปลกหน้าเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้นด้วยข้อมูลที่แสดงออกในโลกไซเบอร์นะคะข้อมูลที่ผู้ใช้บันทึกเอง ะะได้เพิ่มความเสี่ยงให้กับอาชญากรเพื่อ น, นํามาเป็นฐานข้อมูลในการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตสร้างความเสียหายทั้งต่อตัวบุคคลและก็ลดความเชื่อมั่นในหมู่ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะมาตรการทางกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู่นั้นอาจจะไม่สามารถที่จะป้องปรามการจู่โจมหรือเยียวยาความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอาชญากรข้ามชาติดังนั้นนะคะการสร้างมาตรฐานเตือนภัยล่วงหน้าและสร้างความตระหนักรู้อาจจะเป็นผลดีกว่าการเยียวยาเหยื่อและตามดําเนินคดีอาชญากร หลังเกิดความเสียหายแล้วค่ะซึ่งจากคดีที่เกิดขึ้นกับเหยื่อพบรักออนไลน์นี้นะคะก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีทางอาญาและชดเชยความเสียหายกับเหยื่อนะคะทั้งความเสียหายทางทรัพย์สินซึ่งติดตามได้ยากมากเนื่องมาจากว่า มักจะมีการยักย้กยายถ่ายโอนนะคะไปยังบุคคลอื่นที่อยู่นอกประเทศไทยยิ่งถ้าเป็นผู้เสียหายนะคะเสียหายต่อชีวิตแล้วก็ทางเพศเนี่ยเป็นการยากเลยค่ะที่จะชดเชยให้กลับมาคือสภาพเดิมนะคะผู้ร่ำลวยจํานวนมากนะคะปฏิบัติการจากต่างประเทศก็ยิ่งเพิ่มความลําบากในการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งต้องผสานความร่วมมือไปอยังประเทศเจ้าของอํานาจให้ส่งผู้รายข้ามแดนนะคะหรือยึดทรัพย์สินกลับมาชดเชยความเสียหายให้กับเหยื่อนั่นเองค่ะดังนั้นแล้ว ะะก็มีการฝากมาเตือนนะสำหรับใครนะคะที่เล่นโซเชียลมีเดียระมัดระวังการถูกล่อลวงแบบนี้นะคะก็คือการถูกหลอกให้รักแล้วก็ให้โอนเงินนะคะหรือโรแมนต์แคมนั่นเองค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฟังเคสนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการหลอกลวงนะคะเป็นการตั้งแฟนเพจเป็นว่าที่ร้อยตรีนะคะสร้างแฟนเพจปลอมหลอกตุน ขายสินค้านะคะมีเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อไป 2,000 กว่ารายด้วยกันนะคะเชัดเงินนี้ 3.4 ล้านบาทรวมไปถึงเรื่องราวการเตือนภัยใครจะไปเที่ยวที่อัมสเตอรด์ดัมเนเธอร์แลนด์ตอนนี้ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยค่ะไปที่นั่นแล้วถูกโจลดักทำร้ายปล้นทรัพย์สินมีค่าเ <c oughs> ดียติดตามในช่วงหน้ากับเพื่อนเตือนภัยค่ะ ฉ<น>ัน เพ ใ, ใดท่วงทํานองในหัวใจ ้ายในเพื่อนเตือนภัยนะคะในช่วงนี้ค่ะที่ฉันมีเรื่องราวของตํารวจชุดสืบสวนนครบาล น, นะคะรวบตัวว่าที่ร้อยตรีสร้างเผจปลอมหลอกขายสินค้ามีเหยื่อที่หลงเชื่อกว่าสองพัรายถูกชดเงินหนีนะคะกว่า 3.4 ล้านบาทค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจกองกกับการสืบสวน5กองกกบัการสืบสวนสอบสวนกองบัชาการตํารวจนครบาล น, นะคะได้จับกลุ่มตัวผู้กระทาความผิดหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่เป็นลูกค้าจํานวน 2,000 กว่ารายที่หลงเชื่อโอนเงินค่าสินค้าไปยอดรวมกว่า 3,400,000 บาทนะคะโดยมีการสร้างแฟนเพจ Facebook ในชื่อ m o เด r n b ็กส์จำกัดมีชื่อว่าที่ร้อยตรีเพชรภูมิหรือนิวสการพักดีสกุลทำหน้าที่สร้างเพจนะคะแล้วก็หลอกให้คนเนี่ยเปิดบัญชีรับโอนเงินจากลูกค้าโดยมีนายวรชิตชูพินิษ์ทำหน้าที่ไปรับบัญชีดังกล่าวและเปิดบัญชีเพื่อรับโอนเงินจากบัญชีที่ลูกค้าโอนค่าสินค้าค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพบว่าว่าที่ร้อยตรีเพชรภูมนินะคะเคยเปิดเพจแฟนเพจ a c e b o o k ในชื่อ My Home Furniture ลอกขายตู้อนเนกประสงค์ลายโดเรมอนมีลูกค้า6000กว่ารายค่ะหลงเชื่อโอนเงินค่าสินค้ายอดรวมกว่า5ล้าน5้าแสนบาทขณะที่สื่อสังคมออนไลน์นะคะมีการโพสต์เตือนบอกว่าเป็นบุคคลอันตรายแล้วก็มีชื่อบัญชีที่เป็นบัญชีโกงห้ามโอนเงินไปนะคะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะสอนรัดพร้าวเองแล้วก็ทางด้านของ เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มาคับการสืบสวนสอบสวนนะคะก็มีการสํารวจสืบสวนตามติดตามตัวแล้วก็จับกลุ่มได้นะคะว่าที่รอยตีเพชรภูมิตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดจากความเสียหายแก่ประชาชนได้ที่บริเวณหมู่บ้านย่านคันนาวะกรุงเทพมหานครค่ะ ทางนี้นะคะจากการสอบสวนว่าที่ร้อยตรีเพชรภูมิให้การรับสรารภาพบอกว่าได้สร้างเพจโพสต์ขายสินค้าจริงและเมื่อลูกค้าโอนเงินมาให้แล้วก็ไม่ได้ส่งสินค้าให้ตามจริงโดยนําเงินที่ได้นี่นะคะไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็แบ่งให้กับนายวรชิตเป็นค่าจ้างหลังการสอบสวนเบื้องต้นก็มีการนําตัวว่าที่ร้อยตรีเพชรภูมิส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจสอ น, อนอลาดพร้าวดาเนินคดีตามกฎหมายค่ะยังก็ตามแล้วนะคะตามประวัติเนี่ยเพราะว่าว่าที่ร้อยตรีเพชรภูมินะคะเมื่อวันที่๙พฤศจ กยายนปี2561ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมตัวกรณีเปิดเพจเฟ e บุ๊กหลอกขายของค่ะทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์กระเป๋าเดินทางตัวเนกประสงค์นะคะในข้อหาร่วมกันช่อกองประชดชนนำส่งไปที่บกปอสอแล้วนะคะส่วนทางด้านของผู้กำกับการกองกกับการสืบสวน5พันตำรวจเอพิโย ป้อมสถิตนะคะบอกว่าอยากจะมีการเตือนไปถึงกลุ่มลูกค้านะคะที่มีการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์การป้องกันมิจฉาชีพแบบนี้เนี่ยทำได้ยากเพราะว่ามีได้ซื้อกับผู้ขายสินค้าแล้วก็ยังไม่ได้เห็นสินค้าจริงนะคะมีเพียงภาพโฆษณาทเท่านั้นดังนั้นถ้ามีการโพสขายสินค้าที่มีราคาถูกเกินกว่าความเป็นจริง และให้รีบโอนเงินหรือมีการเร่งรัดให้โอนเงินมาจำบางส่วนตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะหรือควรให้เรียกเก็บเงินปลายทางก็จะดีกว่าหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ค่อยโอนเงินไปนะคะก็จะเป็นการระมัดระวังคุณก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะเดี๋ยวนี้นะคะการซื้อขายอะไรก็ต้องระวังกันนะคะซื้อขายไดง่ายขึ้นก็จริงมิจฉาชีพก็มีหนทางในการล่อหลวงได้มากขึ้นค่ะ สิงท้ายกันนะคะกับกลุ่มของนักท่องเที่ยวสาวประเภท2ชาวไทยนะคะไปท่องเที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากกลับจากภาพค่ะถูกกลุ่มโจรดักทำร้ายปล้นทรัพย์สินมีค่าคาดว่าโจรเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเลยค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขามีการใช้แบรนด์เนมก็เตือนใครจะไปต้องระมัดระวังตัวนะคะผู้ใช้เฟซบ o ๊กในชื่อดีซัง จิรภานะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกับนักท่องเที่ยวเมื่อตัวของเธอเองและกลุ่มเพื่อนได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์แต่กลับโดนกลุ่มหัวขโมยดักทําร้ายและแย่งชิงสิ่งของมีค่านะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่มีมูลค่าสูงเลยค่ะผู้โพสต์เองเล่าเหตุการณ์แบบนี้นะคะสถาน ก, การณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะคือมาอัมสเตอร์ดัมทุกปีไม่เคยเจอหลังเลิกผับเดินกลับบ้านตามถนนเดินมากะสี่คนค่ะผู้ชายหนึ่งคนเดินมาก็จะถึงโรรงแรมแมล้ว ทันใดนั้นมีผู้ชายแต่งชุดดำสี่คนใส่ฮู้ดปิดหน้าเดินมาพร้อมกันพอมาถึงเตะตัดขาแม่โอซ่าแล้วก็มาต่อยผู้ชายและอีกคนวิ่งมาตีเพื่อนสาวงูทันใดนั้น ก็พุ่งมาหาตัวของผู้โพสอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าผู้โพสนั้นก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตค่ะก็ตามไม่ทันสรุปก็คือไปรุมตีเพื่อนๆ น, นี่แหละค่ะแล้วก็ไปปล้นนะคะได้นาฬิกาไปก็เป็นโรเล็กนะคะกระเป๋าแช n น l ส่วนหน้าของผู้โพสเองถือ g ุช c ีนะคะก็วิ่งก็เลยไม่ไม่ถูกปล้นนั่นเองนะคะส่วนเพื่อนอีกคนนึงนะคะก็โชคดีไม่ได้ โดนปลุนนะคะแต่ว่าได้รับบาดแผลค่ะซึ่งตํารวจก็มาช่วยแล้วก็ไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะต่อไปจะไม่ใช้แบรนด์เนมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้โจรฉลาดจ้องอยู่ตลอดนะคะยัง ก, ก็ตามแล้วค่ะได้มีชาวเน็ตจานวนมากเลยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบางรายเองก็มีการบอกเล่าประสบการณ์นะคะที่ไปโดนปล้นแบรนด์เนมเช่นเดียวกันในต่างประเทศด้วยนะคะโดยโพสต์ดังกล่าวนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนแชร์ข้อมูลไปแล้วนะคะ 3, ามพันสีกว่าครั้งด้วยกันใครสนใจจะไปดูข้อมูลที่บอกเล่าสู่กันฟังก็เข้าไปได้นะคะ ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะดีสร้างเจอรพาค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เรานํามาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันกันในเพื่อนเตืนภัยนะคะซึ่งหูฝั่งท่านใดที่สนใจจะแบ่งปันเรื่องราวกับเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์ Comment นะคะในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะวิทยุราชมงคลธัญ บ, บุรีได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนในวันนี้นะคะรายการเพื่อนเตินภัยก็หมดเวลาลงแล้วเจอกันในครั้งหน้านะคะในเช้าวันพฤหัสบดีแบบนี้ทาง FM 89.5 ็มแปค่ะวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ วิทยุราชมงคลธันญบุรีเอฟเ 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต